แถบเสียงชุดนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษอันเป็นมหามงคลิคี่อายุครบเก้าสบปีวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2551ห้าห้าสิบเอ็ดของพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่สีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่าคุูมออำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนำเนื้อเรื่องจากหนังสือหลวงปู่สีมหาวีโรพระภูมมากล้นด้วยบุญบา ร, รมี จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2549มาบรรยายทั้งเล่มหนังสือหลวงปู่ศีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษตามโอวาทธรรมของท่านที่ว่าเหตุน้อยผลน้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษหนึ่งเหตุพิเศษเพราะความลึกซึ้งเขารลบเรื่มใสในองค์หลวงปู่ีมหาวีโร ผู้เป็นพระมหาเถระผู้เท่าโูนปลายปิมวัยรูปร่างสันทัดผิวดำแดงเป็นขณาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งวัตถสติบัติอันงดงามยิ่งนักมีสาธารธิตมากมายมีวัดสาขากว่า145วัดเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตสองเหตุพิเศษเพราะประวัติของท่านถูกทับถมด้วยการเวลาอันยาวนานท่านได้สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายเช่น สร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอันเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเจติคุณของพระอริยสาวกและเพื่อความรุ่งโรจน์โชตนาการแห่งพระพุทธศาสนาจึงเป็นวาระพิเศษอย่างยิ่งที่จะนำชีวประวัติอันสมบูรณ์งดงามออกสู่สาธารณชนเพื่อเป็นทิฏฐานุคติที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติตามดินแดนภาคอีสาน นับได้ว่าเป็นดินแดนพุทธธรรมตำนานพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐอย่างแท้จริงพื้นแผ่นดินแห่งนี้มีตำนานประเพณีวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมายแต่ทั้งหมดนี้ล้วนมีแนวโน้มมาจากพระพุทธศาสนาและพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตโตมีส่วนช่วยในการหล่อหลอม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระผู้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุทธ์คณะยังทรงประนวดอยู่ทรงออกสแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมได้สัทธิวิหาริกเป็นชาวอีสานที่สำคัญยิ่งสองรูปคือท่านพันธุโลดีและท่านเทวธรมีเมาสตั้งวงพระกรรมฐานที่วัดสุ ป, ปัสนารามและวัดีทองจังหวัดอุบลราชธานีสมัยต่อมา ท่านเทวธรมมีเมาสได้สัิติวิหาริก ค, คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปร a r m จารย์จันสิริกันโดที่เป็นนักปราดแห่งเมืองอุบลราชธานีสมัยต่อมาอีกท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปร a r m จารย์จันสิริกันโดได้ ส, สืบพ่อวิปัสนาธุระคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สิทธิโสอ้วนพระอาจารย์เสากันตสีโลและพระปัญญาพิสารเถนหนูเมื่อถึงสมัยท่านพระอาจารย์เสากันตสีโล ท่านได้สิทธิองค์สําคัญยิ่งคือท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตทําให้กําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายนิปัสนาธุระกว้างขวางยิ่งขึ้นท่านพระจารย์มั่นนี้เองได้สิทธิสําคัญองค์หนึ่งคือท่านพระจารย์สิงันีนยาะโมสืบทอดสายทางทำรรปฏิบัติกรรมฐานจนถึงยุคพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและจนมาถึงพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโร อันนับได้ว่าเป็นกรรมฐานร่วมสมัยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร, รัชกาลที่9ทินอีสานเป็นสถานที่แห้งแล้งอดอยากกันดานจึงทำให้คนอีสานดิ้นรนต่อสู้และอดทนแต่ด้วยอาศัยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระอริยสงสาวกสุดงธรรมญาตราโปรเทศนาสังสอนนั่นเอง ทำให้แผ่นดินอีสานที่เคยแห้งแล้งกลับชุ่มเย็นขึ้นอีกและน่าอยู่อาศัยมากขึ้นซึ่งมีคํากล่าวจากคนที่มายังภาคอีสานว่าแม้อีสานจะแห้งแล้งแต่คนอีสานไม่เคยแล้งน้ําใจพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวิไนาอาศัยอยู่ตามป่าตามเขามักจะเกิดและพำนักอยู่ในพื้นแผ่นดินถิ่นอีสานนี้แทบทั้งนั้นเดิมที โทษเง่าเหล่ากอของคนอีสานนับถือพูดผีบวงสวงบูชายันเป็นอาจินวัตไม่ได้ใส่ใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตนี้เองได้นำกองทัพธรรมกรรมฐานเขี่ยวจาริกเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนให้ผู้คนหายจากความหลงงมงายและทิ้งประเพณีที่ผิดผิดอันหาเหตุผลมีได้ให้หันหน้าเข้าหาพระธรรมคาสอน อันเป็นทางดำเนินสู่แก่นแท้ความจริงแห่งชีวิตหลวงปู่ีมหาวีโรท่านเป็นพระอริยสาวกอีกรูปหนึ่งที่ก้าวเดินตามรอยบาทพระาศาสดาและพระบุรพาจารย์โดยไม่ย่อท้อเมื่อท่านสอนตนเองได้ดีเยี่ยมแล้วก็ออกเที่ยวธรรมญัต ร, รากรีธาทัพธรรมออกอบรมสั่งสอนประชาชนชาวอีสานที่หลงงมงายให้คลายความหลงงมงายหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงค์อันเป็นสารณะที่พึ่งที่แน่นอนดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชวยเทศและมนุษย์ทางหลายพวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมแห่งงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ ทั้งถ้อยคำและความหมายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือจิเล่น้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้หากไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้รับผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่พระาศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทําแจ่สาวกทั้งหลายจิตอันนั้นเราตถาคต ได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราตถาคตเดิมทีสารเจ้าพ่อผีปูตาผีฟ้าผีไทยผีแถนผีปอบผีเทวดาเป็นต้น ที่มีอยู่มากมายตามหัวไร่ปลายนาคุ้งน้ำชายป่าเชิงเขาท้องรและริมผาที่ชาวอีสานเคารพนับถือถูกทำลายสัดทาลงโดยพลังจิตและทำอันแกร่งกล้าของพระกรรมฐานกลิ่นทูบควันเทียนของบุคคลผู้ลุ่มหลงที่เคยพลุ่งกลุ่นไห่นบไหว้พูดผีมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ได้ดับมอดลงแล้วจากสินฐานบ้านของพูดผี ได้กลายเป็นวัดวาอารามกรรมฐานผู้คนที่เคยหวาดระแวงพวักกลัวในอำนาจแห่งพูดผีบัดนี้ได้กลายมากลัวบาป ก, กรรมแล้วมือที่เคยนกไหว้พูดผีมาบัดนี้ได้นกไหว้ยึดมั่นในคุณพระตนไกรแล้วแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งกลับเจริญงอกงามมีสง่าราศีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นี้ส่วนหนึ่งมาจากความดีของพระกรรมฐานสายท่านพระจารย์มั่นคูริทัตโต หลวงปู่ศีมหาวีโรท่านพาคณะทุดงธรรมญัติปรายกพลธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงที่ว่าผีดุท่านได้ชนะในสิ่งที่เล้นลับเหล่านี้จนชื่อเสียงของท่านกระชอนไปทั่วภาคอีสานว่าหลวงปู่ศีผีย่านท่านได้สละในสิ่งที่ชาวโลกสละได้โดยยากคือบุตรภรยาทรัพสมบัติออกบวชตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ใจจะยังอาลายัยเสดายอยู่ แต่ด้วยบุญญาบรามีน้ำใจของท่านยึงงามเป็นที่สุดนี้อาจเรียกได้ว่าใจถึงประมติที่ผู้เขียนยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากล่าวก็ด้วยเห็นว่าลูกหลานชาวอีสานที่อยู่ดีมีสุขขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ด้วยอาศัยธรรมะจากพระป่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจมาโดยตลอดภาคอีสานกิงเป็นภาคที่อุดมไปด้วยธรรมชาติกลิ่นอยของพระธรรม แผ่ปกคลุมไปโดยทั่วซึ่งภาคอื่นๆประเทศอื่นๆเขาไม่มีชนทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงต้องมาสแสวงบุญยังภาคอีสานคนอีสานจึงควรมีมโนสำนึกรักห่วงแหนวัดวาอารามเศนาสนาป่าคำสอนของครูบาอาจารย์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและควรร่วมมือร่วมใจกันเชิดชูบูชาถนอมรักษา พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในภาคอีสานเอาไว้ให้จงได้หนังสือเล่มนี้นอกจากจะนำเสนอประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแล้วมองอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนั้นก็คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนภาคอีสานที่มีอารยธรรมเป็นปัจเจ ก, กะในาศาสตร์และศิลป์อันเป็นกินตลีลาแห่งความดีงามแผ่นดินอีสาน จึงเป็นปฏิรูปประเทศที่บุเพกะตะ บ, บุญตาชนได้ร่วมกัน ส, สร้างเป็นมรดกตกทอดจนถึงพวกเราผู้เป็นลูกหลานเหลนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมสรุปได้ว่าเป็นเพราะพระธรรมเทศนาของพระปาอันเป็นธรรมของจริงบริสุทธิ์สุดส่วนนี้เองได้แผ่จารึกฝังลึกหล่อหลอม จ, จิตใจให้คนอีสานมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นคณะผู้จัดธรรม 12ตุลาคมพุทธศักราช2548